เครืทำน่ะเป็นของกลางคือทุกท่านจะนามาประดับกายรายใจใจของเป็นเหมือนกันกับเครื่องประดับเสื่อผ้าต่างๆใครเอามาประดับตัวก็หน้าดูไปมาหาสื่อที่ไหนก็ไหนละอายเขาทางอันนี้เครื่องประดับตัวห่อหุ่นตัวปกติคนธรรมดาเนก่ยบ้า กม่ này, ้ที่จะไปไหนพรมีอะไรปกปิดกายของตัวแต่เรื่องเสื้อผ้านั้นในหนาก็วงหามาหน่าหอมจันในว่าในเมืองบ้านนอกต้มีเสื้อผ้าหอมห่มร่างกายผู้หญิงผู้ชาย แต่ธรรมะนั้นโ <c oughs> ดยสใ่ใหญ่พวกเราท่านไม่ถือว่าเป็นของำจำเป็นอย่างนั้นจึงมีแสวงหามารักษากายวาจจใจ ข, ใ ข, ของตัวแจกให้ซ้ำวุ่นวายสัตของต่างๆมาลบกวงกายใจอยู่สมำเสนอย่องเหล่านี้ยองจาาที่เราไม่มีปัญญาหาธรรมะมาประดับกายวาจา ใจของตัวใจจึงเกิดความวาเววิ่นวุ่นไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆจี่มีปัญญาแสวงหาธรรมะมารักษากายรายจากจิตของตัวนั้นอยู่แตฐานที่ใดไยู่ฐานที่ใดท่านกล่าวเอาไว้เป็นสุ ข, ขัโตคือมีความสุขมีความสบายเวลาอายเขา <c oughs> ในสถานที่ใดก็ไม่กลัวว่าคนนั้นจะกล่าวสู่อดีมีว่าทำผิดพูดผิด ต, ต่างๆนานาทางภายนอกตลอดถึงจิตภายในเป็นผู้ควบคุมอย่างกายอาย่างวาจานั้นถา้าจิตดีมีธรรมการพูดกัรทำของเขาเหล่านั้นมันก็นนไม่เสียหายอะไร แต่นั้นถกที่มีธรรมะระดับกายราจาล้วใจจึงเป็นคนส ง, ง่าเสยงงามตลอดใจในมีเรือนมีภัยภายนอกที่จะกล่าวตืดูหมิ่นนอกจากคนพานที่หนรู้จักมีชั่วผิดถูกอะไรเขาอาจ ด, ดูหมิ่นท่าได้แต่คนธรรมดาสามันและตูรู้ทั่วไปนั้น เขาจะไน่ดีหนึ่งนิง้นทาเขาจะสลาเส้เพราะคนผู้ที่มีธรรมะจะอยู่สถานคือใบในธรรมสังคมเหมือ น, นั้นให้เสียหายนอกจากจะทมสังคมใม่เจริญกล้าหน้าเท่านั้นตัวของ่านเองตัวตากายวายใจที่ทดูรมผูกไปและคิดไปก็มีความถูกความสบาย ถ้าไมาเ่เห็นโทษเห็นทุกข์คือตัวของตัวก่อขึ้นทําขึ้นนี่คือคนมีธรรมะมีปัญญานําธรรมะ ม, มาประดับาากายวายาจใจขั้งตัวคนที่ทามาีธรรมะอย่างนี้จะมีจาเนืองหน้าเทไรอยู่เดียกันกว่ามีเรียนมีภัยเพราะต่างต่า ง, งคนแต่ย้นรักษ า, า, า, ากายวายใจใจทั้งตัวส่งที่ตัวเห็นว่าชั่ว ตัวหน่อชอบใจตัวเหน้าคิดจากทําจากเรื่องไห น, ต, หนตัวเองหน่อชอบตัวเองหน่พอใจได้วหน่ไปทําไปพูดกับคนอื่นเขาคนอื่นที่รักษาธรรมเนีเหมือนกันเขาเหล่านั้นไปรักษากายหลาใจใจของเขาไม่ทําในพูดเรื่องที่ชั่วตลอดถึงการคิด ในจิตในใจทั้งตัวถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วสติเขาเกลือกุลปัญญาเขากลมองดูและตัดเต่าสิ่งที่ชั่วเสียหล่างนั้นให้ตกออกไปเมื่อเป็นอย่างนั้นอยู่เดียกั น, นจนึ็นเจเนนมากเทไรก็ไม่มีการทะเลาะบออ่อแหว่งกันอยู่เดียกันอดูความสงบสุขธรรมะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ประพฤตปฏิบัติอย่างนั้น ในเวลาธรรมะเป็นของไรคุณค่าธรรมะหมดการหมดสมัยนยั่นเป็นลมปากของคนที่พูดกันเ <c oughs> ขาที่ในปรเทศปฏิบัติธรรมะเท่านั้นที่เขากล้าพูดดูหมิ่นนินทาธรรมะว่าเป็นของผิดซือที่ล่าสมัยถ้าหากคนที่มีสติปัญญาพิจารณาตามทมหาเหตุผลจริงจังแล้วคนเหล่านั้นจะไม่กล้า ดูหมิ่นนินทาเรื่องของธรรมะในว่าการใดสมัยใดธรรมะยังนํากายตาใจของคนให้ไปสู่ความสุขความเจริญไม่ใชธรรมะ น, นําคนให้ชั่วให้เสียให้เสื่อมธรรมะจึงเป็นเรื่งจำเป็นที่ผวกเราจะนํามาระดับการต า, าใจของคนเหมือนคนที่แสวงหาเสื้อผ้า มาหนุ่มเหวน <c oughs> คนที่มีธรรมะไปสถานคือใดมีความสุขกายสุขใจทั้งคนที่เกี่ยวข้องและตนเองคนที่ไม่มีธรรมะกว่าเหมือนคนที่ไม่มีเรื้อผ้าจะไปสถานคือใดกวา่าอายเขาเพราะคนจะมีเรื้อผ้าถ้าไม่ใช่บ้าหรือเด็ก เขาไม่ก้าที่จะไปในสถานที่ต่างๆเพราะมีอะไรปกปิดหลังใจของเขาคอยจีงเกลีวไม่อยากจะไปเขี่ยวที่ไหนมีการมีงานใหญ่ๆเขาไปกันสนุกเพลิดเพินแต่คนที่นเสื้อผ้าจะแอบไปกับเขาก็ไม่กล้าที่จะไปเพราะกลัวคนอื่นเห็นฉันได้ คนมีธรรมะในใจเหมือ น, น, นกันเนกล้าที่จะไปวัดไปวาไปหาพระหาเจ้ากาา ล, าาาลัวท่านจะดูดาว่ากล่าวกลัวท่านจะจำตั้งอนมินคาเพราะความเชื่อความเสียทางกายทางวาจาของเรามันมีอยู่เดี๋ยวท่านจะถามอย่างเราไปทําอย่าเราไปฝูดต่างๆแล้วกลัวแล้วท่านจะดูเอาดาเอาอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากนั้นก็กลัวเจ้าจหน้าที่ พอเราทําผิดกลัวเขาจะจับกลุมๆขังต่างๆไม่มีทางที่จะเย็นจะสงบนี่คนไม่มีธรรมนะไม่มีความสุขความสบายอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องธรรมะ <c oughs> จึงจําเป็นที่พวกเราท่านจะแสวงหามาประดับกายวาจาใจของตนธรรมะนั้นก็ไม่มีที่อื่นสติปัญญา กตหาความเพียรเรียกว่าธรรมะสิ่งเหลนี้ระโดยมีอยู่ตามหลักตำรานั่นเป็นชื่อของมันไมื่อใส่ตั๋ยวธรรมะจรงิงจังแต่ธรรมะจริงๆนั้นอยู่ในกายในใจของพวกเราท่านทุกคนถ้ามีสติแต่จำตนรู้จักในการจะทำของตนว่าทำไปนั้นมันจะมีเหตุผลดูชั่ว ใเราได้รับฝุกทุกอย่างไร้เราใช่คิดพิจารณาหากว่าสิ่งนั้นทําไปแล้วเป็นทางที่ผิดทางที่ชั่วบาดทั่วไปเขาตันหนีนินทาหรือคนอื่นเข้ามาทํากับเราอย่างนั้นเราก็ไม่ปราถนาเราก็หักห้ามการกระ ท, ทํำของตัวเอาไว้ในทาชั่วเสียอย่างนั้น เมื่อเราไม่ทําในสิ่งที่ชั่วกายกรรมทางชั่วคือเราทําไปโดยกายไม่มีและการชั่วที่ไหนมันจะมาทำเปลือแหงเราในเดือดร้อนยุ่นวายยายจ้าพูดไปกับทํงานงเยาะกันถ้ากชั่วเสียแล้วในพูดสิ่งที่ท่านพูด ดุใจดุเบ ah? ีนาดีแต่คนนั้นในมีปัญญาที่จะรับธรรมะจากท่านบางท่านบางคนก็ถือว่าครูอาจารย์องค์นั้นดุอย่างนั้นดุอย่างนี้ไม่อยากไปหาท่านหรือดานันดาดุดาว่ากล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงถหากคนมีปัญญาก็กลับดีใจเพราะถือว่าท่านรักใครท่านเป็นดุดาตัดเตียนเรา ชาหากทำเหนื่อรักเราในเอ็นดูเราในเครื่องสาเราเราทำเชื่อทำเสียอะไรท่านกปล่อยไปตามเรื่องของเราไม่เลยมาตัดเตวนแงสอนว่าสาวอะไรเราก็จะทําตัวของเราให้เชื่อให้เสียเรื่อยไปเพราะไม่ได้สติเตรียนใจของตัวชาควรถืออย่างนี้การเข้าไปหาคุณที่สัมบูดาว่าล่าวนั้นถือว่าสัมบอกคุ้มซับให้ เราจะได้ปะติปัญญาในความรู้ความฉลาดจากการดูดา่า่าวของฉันเราโก็ดีใจที่ว่าเรานี้ยังมีคนรักใครยังมีคนเอ็นดูทนในถอบทิ้งแทจง น, นจึงดูจิงด่าเหมือนกันกับเหล็กที่พ่อเอามาทำมีดทำขวานทำประโยชน์ต่างๆถ้าเขาทิ่งเ อ, า, เ อ, า, เอ า, าไว้ในเอามาใส่ไฟ เไฟในอามาทุบตีอะไรเหล็กนั้นนั่นก็หนูมีความหมายเป็นเพียงเหล็กเท่านั้นจะใช้าประโยชน์อะไรนั่นก็ในเกิดสลประโยชน์ให้แต่ที่เขาเอามาเผาไฟมาทุบมาตีให้เป็นรูปหีดพลาหรือเป็นขานเป็นอะไรต่างๆนาะนาเขาต้อเผาซยก่อนต้องตีวะ ก, ก่อนเหล็กนั้นจึงจะเกิดเป็น นี่เป็นขวานขึ้นได้เกี่วเราก็เหมือนกันที่ไปหาครูหาอาจารย์ต่างๆท่านแนะนําท่านสอนท่านดูบาวาจาต่างๆให้ทิ้งว่าท่านเห็ตาเราท่านเชื่อตาเราท่านจึงพูดจินดาถ้าหากท่านไมเชื่อใจเราไม่รักเราท่านก็จะทอดทิ้งในแนี้ขวานอะไรให้ถึงท่านใจ่หนักขนาดไหน เราก็มีใจเช็นใจสัตว์่งรักใครสัตว์จึก้าพูดกล้าถอนถ้าเป็นแบบนี้คนผู้นั้นจะเกิดสติปัญญาในตัวในเหงื่อความชั่วของตัวในอย่างอใไรมาเห็นมาแต่ต้องความชั่วอยู่ในายในรายใาในใจของตัวเชื่ออยู่อย่างไร หงอเหล่อยู <interpret ations> ่อย่างนั้นใครดูดาราให้ก็ไม่ได้คอยใจใจโกรธตอบแทนเขาคนแบบนั้นไม่มีวันเวลาที่จะเกิดสติปัญญาละถอนความเสียเสียของตัวออกได้ถ้าหาคนมีปัญญาแล้วท่านจะดูดาขนาดไหนถ้าหากเราเชื่อว่าท่านองค์นั้นท่านมีอัตมีธรรมในใจ เราไปในกลญวท่านให้ทำดุทันดาให้เพราะถือว่าถ้าคุณมีอดมีทําแล้วท่านในข้าดุดากุฎิเจตนาอยากให้เขาดีเพราะรายอยากทาต้องลงหนักหน่อยถ้าละเอียดแล้วก็ไม่เคยลงหนักเท่าไรเหมือนกันกับเขาถากไม้ถ้าหากมันยังเป็นไม้เป็นทางท่อน มันแคจะทําเป็นเสาเขก็ต้องเอาขวานถากออกไปตัดออกไปถ้าหากจะเอาตาไม้กระดาษทรายไปขัดนั่นก็ม่มีวัเวลาที่จะถึงแก่นของมันที่จะได้เป็นเสา้างเพราะมันนานเสียเวลาช่างเขาทำแบบนั้นคืออาจารย์ก็ทํานังเดียวกัน เรื folklore, world, so kingdom, ่องที่ช่วเสียต่างๆคลอยสิริลูกหาท่านเห็นว่าสมควรจะลงนธรรมะขนาดไหนท่านก็ลงไปตามหน้าผีของท่านแต่พวกเราทื่เป็นปิติญาณุสิกจะรับเรื่องอัปธามที่ท่านเน้นสอนนั้นนั้นไม่เคยจะมีปัญญารับธรรมะจากท่านกาเลยถือล่ะท่านโกรธอย่างนั้นท่านด่าอย่างนี้แต่ความจริงท่านเมตตาสงสารเรา การจึงพูงดอย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะไม่ถึงใจจะไม่เคียร์ลาบจะคิดจะพูดจะทําในทางผิดเชื่อผิดเสียอยู่เหลือใจทะยุข้าอยใจเองถือเป็นศาสธารหมดที่เหลือปัญหาในใจไม่มีอะไรซึ่งเป็นทางชั่วที่จ ะ, จะเกิดเอี้ยนพระไทยของพระองค์แต่ถึงตอนนั้นท่านก็เคยด่าง ถ้าวัคกุลิ็นโกรธกไปโดดเหอตายทำไมท่าจึงด่าแบบนั้นนอย่างนั้นวักลิเขาจะได้ได้สติจะเางเช่ดูทะลุพระสมพระเ้าเองอยู่เรือยไปท่านจึงขับล่ห้ไปหาทำความเพียรแก่ิตแก่ใจเขาลูกกายอันนี้มันเป็นของไม่ดีของเน่าของเน้นของอนิจจังอนัตตาไม่ใช่จงรู้ใช่ไหมเช่นเหงื่กาย จ่าเป็นของหยุดของดีนั้นมันเป็นไปในไ้ัตว์เพราะเเห็นได้ที่เขามีตาต่น้น์ม่มีธรรมะจันคือได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแตทฐานขบก็คือการแต่เพืปฏิบัติและช่วบรรเทนดีในจิตในใจเป็นจิตใจสว่างสวัยสงบเย็นถ้าเพื่อเจ้าหรออินิยาจ้า ท่านสงบอย่างไรท่านพ้นใครทุกโทษทางจิตทางใจอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติไปเห็นรู้อย่างนั้นก็ไม่มีความสงสัยอะไรนี่คือพุทธะความรู้ภายในพุทธะในใจของเราทุกคนถ้าไปปฏิบัติจะต้องเห็นเห็นพุทธะภายในคือใจใสว่างใส่ไหวใจรู้ในหลงในอารมณ์ทั้งยา ยี่เหลี่ยมปัญหาต่างๆใจเบิกบานในหุ่นเหวี่ยงตลอดการตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะทําใจให้เหนื่ียแห้งเสียหายใจตื่นจากที่เหลี่ยมปัญหาในเหลืองไหลใส่สันเหงี้นเก่าก่อนมานี่คือพุทธภายในผู้ประพฤติปฏิบัติโดยอาจทำจริงจังจิตละเอียดเข้าไปจิตสงบเข้าไป ขับไล่ที่เหลือปัญหาตกออกไปจะเห็นพุทธะภายในของตนพุทธะอันนี้มีอยู่ทกคนในว่าผู้หญิงในว่าผู้ชายถ้าตั้งหน้าตั้งตาจะเพื่อปฏิบัติตตรักษาจะเกิดพุทธะขึ้นพุทธะผู้นี้แหละหากใครเห็นใครรู้คนนั้นจะเดี่ยไปสู่อาบายภูมิคือนรกเปรตอสุลกายสกิรชานนี่หมายถึงอาบายภูมิ คือเป็นปุขล า, ท, าที่ฐานที่ท่งเล่าเอาไว้้าเปล่าย่อมเข้ามาในธรรมะที่ฐานในการปฏิบัติศาสนาอาบายะคุณทั้งสื่ในโลกเปิดอสุรก า, ายสัจจิรฉานหมายถึงจิตของเราจะไม่คิดไปสู่ความทุกข์ร้อนล่ำดาจากยิ่งต่างๆนาน า, นาจะไม่เหนื้อหยอะไร ในเรื่องของใจเพราะมีอัตนูธรรมแนนสอนจิตใจอยู่สมนเสมอมีความสุขความสบายสรางเฉลยภายในในเป็นอสุรกายคือกายคือหน่อคือเหน็บกายคือชั่วคี่เสียจิตจีไปเห็นจิตเครงตัวอย่างนั้นจีละเชื่อบป็เพียดี มีสติมีปัญญามีธรรมะในตัวมีพุทธะในตัวจะไม่เชื่อในเสียความลึกคิดเหงผิดไปต่างๆนานาจะไม่เกิดขึ้นในจิตเพราะจิตมีสติมีปัญญาได้แต่เพืปฏิบัติมามูเห็นเด่นชัดแล้วจิตจะไปเป็นปฏิยิญสารในคิดอ่านถึงคิดขณะพูดปัญญา ในทุกยันทุกเวลาจะต้องดูจะต้องรักษาจะต้องประบัะติปฏิบัติกายรายกายใจท่องตัวในทางที่ชื่อที่ผิดต่างๆละถอนทางที่ดีที่ควรจะเกิดสาระประโยชน์รักษาเอาไว้นี่คือผูป้ประบัติปฏิบัติถึงพุทธภ า, ายในขั้นที่ทั้งสี่จะไม่เกิดขึ้นแก่ใจท่องตัวใจจะมีความ ความหยอกเย็นเป็นพุท ธ, ธะอยู่ตลอดเวลานี่พุท ธ, ธะที่หายาเห็นใครนั่อกด้วยตาพระพุท ธ, ธจเจ้าเสด็จมาทางหน้าของเราเราเห็นหน้าองค์นี้เข า, า่าเป็นพระพุธธะทธเจ้าถ้ากเขาองค์ยังทรงพระชนม์อยู่แต่เราเมื่อเด็กที่ะะเรณาเรียนธรรมะเพื่อจะแก้ไขจีเลตัญหาของตัวเห็นแล้ว กว่าพระก็ได้เห็นเท่านั้นจะเกิดสาระประโยชน์อะไรนั้นไม่เกิดให้ในสมัยพุทธกาลกว่ามีผมไปสมัยปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านปฏิญญาทานไปแล้วทำยุ่งย่ายถือ่าเป็นศาสตาแทนพระองค์คนใดต่างหน้าต่างตารักษาธรรมะยุ่งย่ายสืพระพุทธเจ้าจงเน้อสนเอาไว้คนนั้นก็ได้เชื่อว่าเทวเลี่ยวใส ในพระพุทธเจ้าจะมีวันเห็นมันเป็นในจิตในใจเป็นพุทธะเป็นธรรมะในตัวคของตัวธรรมะคือพระพุทธเจ้าก่ายเอาไล้วมันก็มีธรรมะภายในธรรมะภายนอกธรรมะภายนอกก็คือตำหลับตำลาเราไปอ่านไปศึกษาว่าอันนั้นควรแล้วอันนั้นควรมันเพ็งนักมีเท่านั้น ผนมีถนี้นรานี้เราเข้าใจว่ามันเพียงอ่านจำได้จากจาหลับกําลาเพียงได้เพียงสัญญาคือจำมาตาละการถอนกิเลสปัญหาต้องอาศัยการประพิษแต่จ บ, บ, บ, บัติถ้าประเิษแต่จบัติตัางหน้าต่างตาละแถนสิ่งที่ชั่วที่ทําหักห้ามเอาไว้ไม่ไปแตะต้อง เชื่อคอยู่นอกตัวเชื่อภายในโลกโกรลงที่เกิดขึ้นในใจก็จรีบขับไล่ทังหารออกไปจะให้หาาามาก่อกวนยจิตใจของตัวใ ห, ให้เชื่อให้เสียมีได้เว่าเราจะพฤ่ปฏิบัติตามธรรมะธรรมะจะเกิดขึ้นในจิตในใจอะไรคิดถูกมีือเชื่อพอเรามีธรรมะมีสติปัญญา มีแสงสว่างอะไรผ่านมาเราต้องเห็นถ้าหากมันมืดมันแบบแล้วเวลาอะไรผ่านมามันไม่เห็นทางนั้นเนี่ยมันไม่เห็นมันก็ไม่ทราบจะอะไรจะเป็นภัยอันตรายเสียตัวลลนดอที่เราไม่เห็นเราก็สายหนักตกได้เขี่ยวน้ําต่างๆ เราเนเห็นเราก็สามารถเหยียบได้ไฟเราเน่ยเห็นมราก็สามารถเหยียบได้แต่คนที่ไปเหยียบไฟก็ดีไป่ถือเหยียบน้ํำขึมเขาก็ดีคนเหล่านั้นถึงจะเห็นก็บตามไม่เห็นก็ตามคนเหล่านั้นคนย้อนของไฟมันไม่เคยอภัยให้คนที่เห็นจะเหยียบมันก็ย้อคนที่ไม่เห็นจะเหยียบมันก็ย้อนน้นคนที่เห็นจะเหยียบมันก็ขึ้นแพงเอาคนที่ไม่เห็นจะเหยียบมันก็ขึ้นแพงเอา ความเรียบปวดเหมือนกันทั à ้งๆที่คนเห็นคนหน่เห็นถ้าไปแต่ต้องไปเหยียบเข้ามันจะได้รับทุกทุกอย่างนั้นไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรือสมัยพุทธกาลหรืออนาคตยังไงมาถึงมันเป็นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นคือมีตามีความสว่างภายในอะไรที่เป็นภัยเป็นอันตรายแก่ตัวทราบ อันนี้เป็นหนามไอ้เพื่อเหยียบมันอันนี้เป็นไฟไอ้เพื่อนเหยียบมันเลื่นมันไปหนีมันไปเนี่ยไฟนั้นเหมืนนั้นด้วยหนามเหนั้นนั่นก็ไปไล่ขึ้นแทงเรามันก็อยู่ตามหน้าที่ของมันแต่เนี่ยเราไปเหยียบมันเข้ามันเกาะงานควันเดือดร้อนงานความเบืวดั้ดไม่เราดังนั้นคนมีตัญญามีธรรมะยึ่งหลีกเล้อนควาชั่ว เสีต่างๆนะนะด้วยสติเดี๋ยวปัญญาในตัวทั้งท้าสิดีชั่วผิดถูกมันมีอยู่ในโลกแต่ไหนแต่ไรมาแต่เนื่องจากเราหมุดบ่ไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมะในตัวจึงไปเดินเข้าไปสิ่งที่ชั่วที่เสียเมื่อเดินเข้าขบวนแต่ทุกอย่างนั้นลำบากอย่างนี้ถต่เรามีสติมีปัญญามีแสงสว่างในตัว ก่อนจะทําก็ดีจะพูดก็ดีเลือกคิดไปก็ดีมีธรรมะที่จะไรมาว่าผิดถูก ด, ดีชั่วอย่างไรควรรู้ไหมคนอย่างเราจะไปทําแบบนั้นถ้าหากในควกวเโ้นสิ่งเหล่านั้นไปเนในใจไม่คิดลายใจในพูดใไม่ ท, าทําในทางที่ชั่วที่เสียทุกทวกมันจะเกิดขึ้นมาจากที่ไหน คนก็นมีเท่านี้อ่ะกรรมทีอกะทำกายกรรมวิญกรรมมโนกรรมทำได้ทางกายทาได้ทางวาจาททาได้ทางใจเห็นเปากรรมคือการกะทาใจคิดก็เป็นเรื่องกระทาเหมือนกันอยู่มโนกรรมคิดชั่วเท่านั้นท่านท่ทานจิตใจไม่ได้ทำวาจามันไม่ได้พูด แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายความทุกข์ยากความไข้หมอของใจมันเกิดขึ้นคิดคิดดูสิ่งที่ชื่วสิ่เสียสิ่งท้อตำหนัเรื่องเกลนเรามาระยะเวลายาวนานขนาดไหนทั้งทั้สิ่งนั้นผ่านไปนับเดือนนับปีไม่ได้แต่เรามาคิด แล้วเขาทำผิดทำชั่วเนี่ยตัวของเราอย่างนั้นอย่างนี้จิตมันก็เกิดหมุดหมิดขึ้นไม่สงบไม่สบายโกรธแค้นกับเขา่เพียงแต่คิดในทางชั่วผิดเขาหวงเกลียนเราเขาทําร้ายเราแล้วเขาข่เมย์เราเขาด่าเราต่อหน้าจนหายไปไม่มีเสียงอะไรอยู่ในปัจจุบันแต่ สัดญาอารมน์ในใจนั้นผูกเอาไว้คิดไปในเรื่องที่เชื่อที่เสียใจนันกโกะใส่หมองได้ใจนั่งกะโกรธไ ด, ด้อาฆาตพยาบาทได้มันเป็นไปทํานองนั้นทางดีกว่าทำนองเดียวกันแต่เราคิดไปว่าเราได้ทําสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้เป็น ส, สิ่งที่ดีที่สมควรจะทําเราคิดไปไหม ทางดีทางชอบกาเคยได้ทำบุญซึ่งทานจะคนนั้นคนนี้จึงเป็นเ น, นื้านาบุญที่เราเชื่อมั่นในจิตในใจว่ทาทําไปจะเกิดผลลาจาเคยได้เคยรบได้ได้ทำลายลเสน่ห์ได้ช้าเสียหมิน <c oughs> ทำวัดต่างๆเราคิดได้ใจเราคิด ในทางอาัดทางทำคิดในอนิจจังทุกขังอนัตตาจะขับไ ล, ล่หยุดใจสิ่งผ่องสิ่คิดแยะต่างๆออกไปจนใจของเราเรียนสงบถึงปัจจุบันเราไม่เจนอย่างนั้นแต่คิดไปถึงอดีตที่เราเคยทํามาหลักกายเราเดี๋ยวทำดีอย่างนั้นมายจ่าเราเดี๋ยวพูดดีอย่างนี้ใจเราเดียวใสงบเดีคิดดีอย่างนี้ จิตใจก็สงบจิตใจก็สบายจิตใจก็เยมพราะคบไปในทางที่ถูกทีก่ควรดังนั้นผู้ทั่วไปทิตสึกทำนะ่ะจิงดูใจวาจาและใจของตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เชื่อเสียเกิดมาจากใจก็ดีเรีอบธราละทางมาทางหูทางตาทางตัวหมูกลี้น ทันตนละลีสมรไม่ให้ความชั่วเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องแต่ต้องกายรายใจใจคงตัวเหมือนกันกับคนตาดีสิ่งที่ชื่อเสีย ต, ต่างๆที่สที่เป็นทิษเป็นภัยแผ่นเดิทมท่านไม่ไปแต่ต้องไม่ไปเกี่ยวข้องเพราะถ้าไปเหยียบเข้าหรือแต่ต้องเขง้า ตาหาเป็นข้งร้อนมันก็ห่อยก็เผาต้าพบเป็นข้างเน่าข้างเหน็มันก็ต่างหน่อยเทละเพราะทุกคนในลาดคนะที่เหี่ยวร้ที่เหน่าที่เหน่งแต่ตาในเห็นจินไปเหยียบเข้าไปแตะต้องเข้าที่ในเห็นเพราะไม่ใช่ตาเราไม่มีคือเราในเบยต่างหาก คาจงสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่แต่เราไม่ดูแต่าเดดมันเข้าอี่เราไม่คิดไมพิด่ามัไม่มีธรรมะสอนใจสิ่งที่เชื่อคือคิดมันมีอยู่ในโลกสิ่งที่ดีที่สงบเย็นมันมีอยู่ในโลกแต่เราไม่มีสติไม่มีปัญญาหาสิ่งที่เป็นแาละมาประดับใจนาจายใจของเราเราจึงบนว่ทุกข์ว่า ลำบากหลายอยากหลายยุ่งอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงสิ่งต่างๆนั่นอยู่ตามหน้ที่ของมันแต่ที่จะมาตามธรรมะจริงจังแล้วไในมีอะไรในโลกมันจะมาเหยียบข้องตัวพันกับตัวของเรานอกจากจิตของเราเท่านั้นไปยึดอันนั้นไปถืออันนี้จิตใจจึงว่างุ่นเดียดร้อน มันมีความสงบับายใส่เกีารติควรยื่งแดดเท่าไรหานเท่าไรนันก็หนักเข่าเข่านั้นควรมีปัญญาท่านึงขนออกเก็บออกไม่หาบไม่หานไม่หอบไม่หิ้วจรงที่มันเป็นสาระประโยชน์ปล่อยเงนไปวางเงินไปถิ่งมันไปท่านกอไปข้างสะดวกสบายหนัก ดานักมือแข้งแข้งเขาทำในแบบในหิวอยู่เราอะไรก็ไปถือแ่บเป็นของของเรายึดเอาแข้งแข้งสื่ของหนึ่งแน่นเขาไม่ทราบแต่เราวินดีกับเขาอย่างไรพอายู่กับเรากดเขาเราหามามันหายไปก็ไม่ใช่ว่าใจของเราหายไปด้วย ใจของเราก็ยังมีอยู่แต่ถ้หว่าใจไม่มีธรรมะไม่ทาบจะละจะถอนความยึดถือนั่นก็เลยเสียใจหา่ันั้นหายไปอันนี้ไม่ดีเกิดขึ้นความจริงที่เกิดขึ้นส่งที่หายไปนั้นมันมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่ว่ามีแต่ในชีวิตของเราเท่านั้นคนอื่นที่เขาเกิดมาก่อนก็เห็นมาก่อน ก็เป็นทํานางเดียวกันถ้าใครไม่มีสติปัญญาสำนักใจทั้งตัวอยู <c oughs> ่ในโลกนี้จิ่งไม่มีความสุขความสบายให้จะมีสติปัญญาสานักใจทั้งตัวเท่านั้นอยู่กับทานที่ได้สำนักเลื่อยไปอย่าให้ใจตังวลติดขอ้อจริงจีเข่าเสียต่างตอย่าให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วกะรีบสำนัก มันใจทำใจท่องตัวให้สว่างเฉยไหลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาู้ถือศึกษาประปฏิบัติทำจิตทาใจทองตวให้สงบเย็นเกิดความรู้เป็นพุทธเต็นอยู่ในนี้หลักคนนั้นแหละอยู <c oughs> ่ในโลกนี้จะมีความปุก ความสบายในเย็นวายเดือดร้อนพระพุทธเจ้าหรือพระริยาเจ้าท่านปฏิบัติเองของท่านอย่างนั้นท่านจึงมีความสุขความสงบอยู่ตลอดเวลาเวลานี้การปฏิบัติปฏิบัติของท่านมาแม่สอนพวกเราขี่มืดบอดกึงจะมือเราไปว่ทางนี้เป็นทางสุขทางสบายจะเราปลสารสูนเชื่อเรื่องยื่นปัญหา ยิ่งจังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจึงยิ่งเยินอยู่ตลอดเวลาหะความสุขความสงบทางตายทางวาจาญาพุทธะของเรามันพุทธะหลงมันมีเศษพุทธะรู้แต่ก็เชื่อยังทเอย่างทั้งตัวว่าดีว่าดีเศษมันยอมไฮะมันยอมทิ้ ถ้าหากเราถือเรื่องชีวิตถือมาเนะ่ยปัญหาอุปาทานของเราว่าเป็นของหยุดของดีอย่างนั้นมันก็เหมือนกันกับเราเอาของยัดใส่ในกระเป๋าของเราแน่นแล้วใครจะเอาอะไรนะใส่อีกมันก็ตกออกไสเถ้าไม่มีที่ว่างที่จะยัดใส่ถ้าหากเราขนของ ของเราอยู่ในกระเป๋านั้นถือว่าเป็นของหนึ่งสำคัญของหนึ่งมีคุณค่าออกขึ้นนั่นสิ่งที่มีคุณค่าซะใส่เงินก็ใส่ได้เพราะกระเป๋ามันยังว่างอยู่นี่จิตใจของเราทุกท่านก็ทํานัเดียวกันถือที่เหลสปัญหามานณะทิศของตัวนั้นถือเป็นสิ่งที่สําคัญทำหน้าของพระพุทธเจ้าก็เลยมีทางที่จะเข้าไปได้ มันสึกมันสบายมันเปรตวิเศษอย่างไรในกายในใจของเราที่ถือมาที่แบกมาหางมาเขาเจอว่ามันดีมันดีเชื่อตามเรื่องของโลกของที่เหลือปัญหาเราก็พอจะทราบทำไมในเคลลาดแต่สิ่งเหล่านั้นมันให้ทุกข์ให้ทรมาร่ตัวถ้าหากเรายังยึดความเชื่อถือความชั่อว่าเป็นของหยุดของดูมีคุณค่านะ คณะที่พระพุทธ้เจ้าสอนเราเองก็จะเดินทุกเดินโทษอยู่ตลอดเดือนละฮะหาความสงบสุขในได้อยู่สถานที่ใดก็ไม่สะดวกก็ได้สถานที่จะสงบเงียบขนาดไหนแต่จิตใจโต้ว่าหุ้นไปต่างๆนานาแทนที่จะตั้งหน้าต่างตากันจัดขับไล่ที่เด็ดปัญหาในเจนอย่างนั้นจะสมแฮะ เรื่องกิเลสปัญหาที่มีอยู่แล้วก่อนในคัมราออกไปที่าานนนน ย, ทยังในมือต่อแถ่แงแหานเรื่องกิเลสปัญหาในนาอพุทธิเหล่านั้นมันเคยให้ความสุขความสบายแก่ใครมันในนีอนอกจากมันจะนำทุกนั้นทั้งหมดาให้แต่เราก็ยังแสวงหาเรื่องกิเลสปัญหาในน้อพุทธิยึดมั่นถือมันเรื่อง งมมตเรื่องโลกเละไปยิ่งผู้มาบวชในศาสแนะหน้าผีของนักบวชให้พุทธเจ้าสอนจะเป็นผื่นจากสิ่งที่ชั่วในว่าทางกายทางวาจาทางใจตั้งแน่ตั้งตาบรรเทนภาวนาละยิเลกความใส่หมอนต่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นทาง นอกทางในพยายามมีเสริปัญญาขับไล่สิ่งชั่วเสียต่างๆออกไปกาหนดใจให้สงบเห็นรู้เห็นชัดเินว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกนี่คือตามรชำระจิตเป็น ง, งานจาเป็นของนัก บ, บวชทุกคนที่จะต้องมั่นเพนให้เห็นเหรู้ ให้จิตของตัวมีที่พึ่งมีที่อาศัยมีธรรมะในใจของตัวคนที่สงสัยธรรมะคนที่หงุดหงิดธรรมะใครมาหาจะม่ให้ียบเขาอะไรนั้นผิดหลังสหาหัสเขาตั้งใจจะมาศึกษาธรรมะพอเรามีธรรมะที่จะแย้สอนเขา การปฏิบัติตัวค่องตัวอย่างนั้นเห็นการทำลายกิเลสเป็นงานสําคัญยื่งกว่าการอยู่ธรรมดาการสร้างวัตถนานานตุต่างๆนานาเพ่จะตั้งหน้าตั้งตาเดินจงกรมภาวนาดูจิตดูใจทั้งตัวจิตชั่วจิตเสียจิตเสี่ยม ท, ที่จะเลวนิยมเรื่อย การเหน็บรักษาจิตใจท่องเทวทัองยอเล่าลงความชั่วเห็นอย่าเป็นคิดเป็นภัยทำความเดือดร้อนมาให้ไม่ใชใ่ของยันของสาบายได้ไม่เกิดขึ้นก็ไม่คมิดที่จะก่อให้เกิดเกิดขึ้นแล้วก็กําจัดทําไล่ความชั่วทั่วไปทีนีที่เจ้านายเหวี่างนั้น ที่มันมอยู่ในจิตในใจก็หมั่นฉนะกสาสางไปเพราะความเชื่ออยู่ในใจมันมีแขกร่งก ว, ว่าอันนี้ใสมันมีอยู่ภายในใจทั้งตัวมันคิดไปแล้วก็พูดก็ทําไปถ้าหากเราไม่แก้ไขความเชื่ออยู่ในใจนั่นแหละมันไปสแสดงออกทางวาจาทางกาย หากเราเกลียดใครความชั่วยอยู่ในใจทังตัวให้ตกให้หายไปถึงท่านจะดีดารากาวหนักหนาขนาดไหนไม่เมตตาแม่เดเอาความชั่วออกไปว่าทำเมตตาอยากจะให้เรดีเท่านั้นท่านจึงแนะสอนในเช่นท่านพูดชั่วทําชั่วทามีเมตตาในตัวของท่านเหมืองกันกับยีดานานดา ดาราเขียนปีบุตรของตัวไม่ใช่ท่านในหวังดีเพื่อจะให้เด็กอย่นั้นลู้เรื่องชั่วของตัวจริงทำอย่างนั้นท่านท่านสื่อหรืคนอื่นที่ทนเชื่อท่านเสียถทำในยูดาราสาวอะไรจะลู้ของท่านท่านทำไมเขียนปีเอาแต่ของบุตรคนดีเวลาอาหารหรือเสียงหนึ่งเห็นเพื่อนประดับคนที่ท่าน ในดาในร่าในเขียนในจีท่านเอาไปให้นะก็เอาให้ลูกท่องท่านคือท่านมาท่านร่าท่านเขียนท่านจีมาเดีเอาไปให้คนอื่นเขาลูกทองคนอื่นเขามันเ็นอย่างนั้นครูอาจารย์ท่านที่ท่านมีเนี่ยตาในจิตนีอัจมิยธรรมกัท่านนางเดียวกันเราให้ที่มิจะาเนาอย่างนั้นตัวควาเส่อมเราท่านเข้ามาบวชมาทำลายที่เหลือปัญหาในสมาสาวสน อยู่ในบ้านในแช่งก็ยังมีศรัทธาเลื่อมใสอยากจะไปบวชพอมาบวชแล้วความนึกความคิดสมณะสัญญาในเตี่ยหน่อยมีมีใจวิ่งวิ่นตามเรื่องชีวิตปัญหาอยู่ในวัดแต่เพียงตายต่ใจมันเขี่ยไปจอนไปเป็นขโมยใหญ่เป็นเจมใหญ่หนูเป็นเลื่องในรักษาใจของตัวคนบวชอย่างนั้นไม่มีวันที่จะสงบสุขได้ เบียดด่างนั้นไม่ใช่เบียดเพื่อเยเมในทางพระพุทธศาสนาเบียดเผื่อทำองไงเบียบย่ำธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นอรัชชีไม่มียางอาอย่างนั้นหรือแต่มีสติมีปัญญาสอมตัวดีใจของตั ว, ตวมันเชื่อมันเสียอย่างไรเรียดันลายแฉข่มันไปมีคือเูล่ยงใจ ภาวนาที alloy, yun, so ord, ่งานการําละกิเลสเป็นงานสําคัญเมื่อทุกขันต่างเน่าต่างตาสำระกิเลสตัณหามีสติปัญญาดูกายนาใจใจทั้งตัวสิ่งที่เชื่อเสียเว้นในทำในบำเท็ญในคิดสิ่งที่ดีมีแทประโยชน์คือจะนั่งฝึกนั่งสงบนําการละการถอนในให้พยายาม พี่นี่พี่จะนำมาแมมก้ไขกายจออกใจใจทั้งตนเมื่อทุกคนเห็นงานคือการไล่กิเลสเป็นพําคันตั้งมั่นในขวารบปฏิบัติเอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติจริงจั ง, งทุกคนจะเห็นผลคือพุทธะความตื่นจากทากิเลีสปัญหาในจิตในใจความรู้ที่ไม่มีอะไร มาเกี่ยวแสงให้เกิดทุกร้อนจิตใจเบิกบานอยู่ตลอดการตลอดเวลาไม่หดเหี่ยวเศร้าหมองนี่คือผู้ปฏิบัติัรรละกายราใจใจคงตนเห็นการชำระที่เลดเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องอื่น ตางหาต่างตาภาณ า, าละถอนอยู่ตลอดเวลาความสงบสุมใน้องเปรียกแยะมาจากที่ไหนจะเห็นขึ้นจากการปฏิบัติในจิตในใจทั้งสนฉะนั้นขอทุกคนที่เป็นนักบวชพากันทิ่นี่เพืดเด่มาแหน่แฉนตัวของตัวอย่าไปเชื่อว่าเราอาทัพอวาบับาสนาในมีสติปัญญา จะชำนะถ้าหากเราพืเจ้านาแล้วมันมีทำได้เพราะคืออาจารย์และท่านผู้ใต้เจ้าท่านเอามาจากที่ไหนกายข้งเรามีใจัองเรามี่ิหลสปัญหาข้างเรามีจึิตต่องชำระใชเว่าคนหมดกิเลสปัญหายิ่งจะชำระจะชำระอะไระท่นมนนั้นหมดไปแล้ว มีเงนี้นนอยู่จึงจะหน้ า, นาที่ของพวกเราคือจะด้ารจัดครับไร่ความเสียเสียคือีดเดี่ยวปัญหาออกจากใจขอให้พากันเนื้อแข็งใจทั้งตัวมีสมาณะสัญญาว่าเราเป็นนักบวชเป็นสมนาณะคือผู้สงบอย่าแบบไปคิ ด, ดเป็นยิ่นเกียวยิ่งต่างต่างอย่าเป็นสิ่งที่สำคัญควรจัดทํายิ่งกว่า การชำระศาสนากิเรตปัญหาของตัวเมื่อทุกคนยินดีพิจารณาเห็นการบำเพ็ญภาวนาเป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่างานอื่นแล้วต่างงาต่างตาประเภทปฏิบัติคนนั้นก่อจะเข้าถึงสุงความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรถึงเวลาขอจิติทียนเสร็เอรัง